อมืวานก็ได้พูดไปแล้วนะว่าเวลาของเราแต่ละคนมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะชีวิตของเรามีแต่จะนับถอยหลังนับถอยหลังไปได้ไกลแค่ไหนนานแค่ไหนไม่มีใครรู้นั่นก็หมายความว่าอะไรที่สำคัญนะสำหรับชีวิตของเรา ควรที่จะรีบทำอย่าโม่แต่ผัดพรอนหรือว่ารีรอแต่ในความเป็นจริงในสิ่งสำคัญในชีวิตเนี่ยนะมักจะถูกทิ้งเอาไว้ทำทีหลังหรือบางทีก็ไม่ได้ทำเลยสิ่งที่สาคัญในชีวิตนะมักจะถูกผัดพ่อน หรือบางทีก็ถูกลืมไปเลยนะเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่เร่งด่วนนะมาช่วงชิงเวลาของเราไปซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะบางอย่างก็สําคัญเช่นเรื่องการทํามาหากินแต่บางอย่างก็ไม่สําคัญแต่ว่ามันมีสเสน่ห์ดึงดูดใจนะเช่นการเที่ยวการเล่นการาเสพสุขสนุกสนาน คนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าประมาทเพราะคิดว่าไอ้สิ่งสำคัญนี้เอาไว้ทำวันหลังก็ได้ยังไงก็มีเวลาไอ้ความคิดแบบนี้แหละที่มันสร้างปัญหาให้กับผู้คนจำนวนมากมายแลเพราะเขาไม่ได้ตระหนักว่าความไม่แน่นอนของชีวิตนี้มันคาดเดาคาดการอะไรไม่ได้เลย มีพยาบาลคนหนึ่งก็ลอยฟังว่ายายของเขาเนี่ยนะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เธอเองเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นเธอสนิท ก, กับยายนี่มากกว่าแม่ซะ อ, อีกนะเพราะว่ายายนี่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กแม่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะแม่ต้องทํางาน แต่ว่าเธอก็เริ่มห่างเหินจากยายไปหลังจากที่ไปเรียนหนังสือโดยพอบไปเรียนพยาบาลแต่ว่าพอจบพยาบาลก็กลับมาบ้านเกิดแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับยายเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลยายมากนะเพราะว่างานก็เยอะก็เห็นการเฉพาะตอนที่กลับมาที่บ้าน ต่อมายายก็ล้มป่วยนะเธอก็ดีใจหน่อยว่ายายก็มาป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลของเธอแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลนะเพราะว่างานประจำก็เยอะมีวันหนึ่งยายบอกว่าได้ข่าวว่าที่จังหวัดของยา ย, ยคือพัทะลุงเนี่ย มันมีการสร้างสะพานใหม่ข้ามทะเลน้อยทะเลน้อยนี่มันก็เป็นสถานที่สําคัญของพระทะุ่งนะแล้วก็มีการสร้างสะพานใหม่ยายอยากจะไปเห็นร้านก็บอกว่าได้เลยยายแต่ว่าต้องอาทิตย์หน้านะเพราะอาทิตย์นี้เนี่ยเพื่อนรับปริญญาก็จะต้องไปช่วยงานเพื่อน อาทิตย์หน้าจะพายายไปแต่ว่าพอถึงอาทิตย์หน้าก็ไม่สามารถจะพายายไปได้ละเพราะว่ายายป่วยหนักต้องเข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยลเธอก็เสียใจมากนะเพราะว่าเพียงแค่ยายขอแค่นี้เธอทำให้ไม่ได้ยายไม่เคยขอขอเธอขอร้องเธอเลยนะ เพิ่งมีครั้งเนียขอร้องว่าให้ช่วยพายายไปเที่ยวดูสะพานที่ทะเลน้อยหน่อยที่เสียใจมากก็เพราะว่าสะพานนั้นเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแค่20กิโ ล, ลถ้าเธอตัดสินใจพายายไปตั้งแต่เย็นนั้นหรือว่าไปวัดลุ่งขึ้นนะเธอก็คงได้ทำให้ยายสมปรารถนาแต่ว่าเธอผัดผ่อนไปนะ เอาไว้อธิษานก็ล้กั น, น, กกนในยายเพราะเธอคิดว่ายังมีอธิษฐนนานสำหรับยายที่จะไปเที่ยวได้ทำไมเธอถึงผัดผ่อนยายนะก็เพราะว่าเธอคิดว่ามันทำเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนรับปริญญาเพื่อนเนี่ยนะมันเลื่อนไม่ได้มันมีกำหนดเส้นตายว่าต้องเสาร์อาทิตย์ น, นี้แหละในชีวิตจริงคนเรานะสิ่งที่ ผัดผ่อนได้แม้ว่าจะสาคัญแค่ไหนเราก็มักจะทำทีหลังเพียงเพราะว่ามันไม่มีเส้นตายและสิ่งที่มักจะทำก่อนคือสิ่งที่มันมีกำหนดแน่นอนซึ่งบางครั้งก็ไม่สำคัญเลยนะเช่นคอนเสิร์ตนะของวงดนตรีที่ชอบมันก็มีการกาหนดการแสดงที่แน่นอ น, นเพราะฉะนั้นต้องทำก่อนต้องไปเที่ยวก่อนเรื่องเอาไว้ทีหลัง บางทีความสนุกสนานก็ชักจูงให้เราหนะลงลืมในสิ่งที่สำคัญไปพยาบาลคนหนึ่งก็รล่าใฟัง น, น, นี่อยู่ราชบุรียายปุกป้าเนี่ยป้ามาป่วยที่โรงพยาบาลป้านี่ก็เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันแต่ว่าพอเธอไปเรียนพยาบาลก็ไม่ค่อยได้พบป้าเท่า พบป้าเท่าไหร่เพราะว่าอยู่คนละจังหวัดพอเป็นพยาบาลก็ยิ่งเหินหางก็ไปใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมป้าจนกระทงป้าป่วยขนาดป้าป่วยที่โรงพยาบาลของเธอเธอก็ยังไม่มีเวลาป้าอยู่ห้อง IC ซแต่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเธอก็ตั้งใจว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์นเนี่ยนะหยุดงานจะไปเยี่ยมป้าสักหน่อยแต่บังเอิญ น, นะวันศุกร์เพื่อนมาชวนให้ ไปชวนไปเที่ยวกันที่พัทยาอเธอเป็นคนราชบุรีนะไม่เคยเจอทะเลเลยก็เลยคิดว่าไปเที่ยวพัทยาเสาร์วันที่นี้ก็กันสุกเสาร์วันที่กลับมาวันอาทิตย์ค่อยไปเยี่ยมป้าแล้วกันอนเธอก็ไปเที่ยวพัทยาก็สนุกสนานกลับมาราชบุรีถึงโรงพยาบาลก็ประมาณเย็นเย็น ก็เดินเียเดินไปที่ห้อง ICU จะไปเยี่ยมป้าก็เจอก็สวนทางกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าป้าเธอเสียชีวิตแล้วโอ้เธอเศร้าโศกเสียใจายมากมาเวลาผ่าน80กับกว่าปีแล้วเธอก็ยังรู้สึกผิดติดค้างใจเพราะว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำอดโทษตัวเองไม่ได้ว่าเลือกนะเลือกไปเที่ยวมากกว่า ไปเที่ยวก่อนที่จะไปเยี่ยมป้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เยี่ยมนะเพราะว่าเวลาของป้านี่เขาหดท้ายไปอย่างไปเร็วกว่าที่คิดเอาไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคนจานวนมากมายนะก็คือว่าเขมามักจะปล่อยให้สิ่งที่สาคัญเนี่ยเอาไว้ทีหลัง ไอ้สิ่งที่ไม่สําคัญแต่ว่าดึงดูดใจมากกว่าหรือว่ามันมีกําหนดเวลาที่แน่นอนไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มามาดึงความสนใจของเขาไปหรือช่วงชิงเวลาขเข้าไปเสร็จแล้วพอมารู้ว่าสายเกินไปแล้วก็เสียใจท่า น, นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราตระหนักว่าอะไรอก็ไม่แน่นอนนะ โดยเพราะเวลาของเราและของคนที่เรารักนี่มันจะหมดสิ้นไปเมื่อไหรก็ไม่รู้งั้เมื่อใดก็ตามที่คนเราตระหนักเช่นนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าต้องรีบทําสิ่งที่สําคัญก่อนแม้ว่ามันจะไม่มีเส้นตายแม้ว่ามันจะผัดผ่อนได้แต่ก็จะไม่ผัดผ่อนเพราะถ้าผัดผ่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําเลยก็ได้ทั้งชีวิต สิ่งที่สาคัญตลอดชีวิตก็มีหลายอย่างนะการตอบแทนอุปการีการใส่ใจกับคนรักนะการให้เวลากับลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันแต่ว่าผู้คนก็มีเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้น้อยลงไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพราะงานการนะมันแย่งออกไปแย่งเอาเวลาไปนอกจากเรื่องการใส่ใจคนที่เรารักแล้วนะ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราพึงมีต่อคนรอบตัวโดยเพราะคนที่มีพระคุณหน้าที่ต่อตัวเองก็สำคัญเหมือนกันนะการทำกรรมฐานการภาวนานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับชีวิตนะที่เราไม่ควรจะผัดผ่อนที่พวกเรามากันที่นี่นะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาเพราะว่านั่นหมายถึงว่า เราเลือกแล้วว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญและเมื่อเรามาที่นี่ก็หมายความว่าเราต้องทิ้งสิ่งอื่นไปซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะหมายถึงการทำงานทําการหรือว่าความสนุกสนานซึ่งเราก็เลือกแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเขาก็เขาก็รู้นะว่ามันสำคัญแต่เขาก็ยังผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาก็คือว่ามันไม่มีกําหนดเวลาไม่มีเส้นตายเพราะฉะนั้นทําเมื่อไหร่ก็ได้และพอทําเมื่อไหร่ก็ได้ก็แปลว่าไม่ได้ทําเลยหรือว่าอีกนางกว่าจะได้ทําเพราะว่าสิ่งอื่นที่มันมีเส้นตายมันมาแย่งชิงเวลาของเราไปหรือมาดึงความสนใจของเราไปเดี๋ยวเราก็ตามเมื่อเราตัดสินใจนะที่จะม า, าทํากรรมฐานมา ภาวนาเพื่อการพัฒนาจิตใจนะก็ให้ตระหนักว่าแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็อย่ามองข้ามสิ่งอื่นไปนะโดยเพราะสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญนะเพราะว่าในชีวิตของเราเราไม่สามารถจะทำแต่สิ่งที่สำคัญได้ ไอสิ่งที่ไม่สำคัญเราก็ต้องทำเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อเราถือว่าการภาวนาเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเราก็ยังต้องซักผ้ารนะเรายังต้องทำครัวเรายังต้องทำงานนะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องอเมื่อถึงเวลาที่การปฏิบัติธรรมของเราหมดไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราอาจจะมองวามันไม่สำคัญ นะกินถูฟันล้างหน้าซักผ้ากวาดบ้านกวาดลานวัดถึงแม้ว่ามันจะไม่สําคัญเท่าการภาวนาแต่ว่าเราก็ทิ้งมันไม่ได้นะแล้วเมื่อเราต้องทํามันนะเราก็ควรจะทําด้วยความใส่ใจให้ความสําคัญกับมันบางคนนี่ให้ความสําคัญกับการภาวนาก็เลย ทิ้งไอ้สิ่งอื่นไปเพราะเห็นว่าไม่สําคัญนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเรายัางไงก็ต้องทําสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สําคัญด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําสิ่งเหล่านี้นะก็ต้องให้ความสําคัญกับมันนะอย่าไปคิดว่าในเมื่อมันไม่สําคัญแล้วป้อนนั้นเราต้องรีบๆทําเพื่อเราจะได้ไปทํา ไปให้เวลาการภาวนาเอาความเข้าใจนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการให้ความสําคัญกับสิ่งใดก็ตามที่เราทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนมันก็ถือว่าเป็นการภาวนาเหมือนกันจะเป็นการล้างจานทําครัวกวาดบ้าน ใจตลาดในเมื่อถึงเวลาที่เราต้องทําสิ่งเหล่านี้นะเราก็ต้องให้ความใส่ใจกับมันอย่างที่พูดมาว่าอย่างที่พูดม า, ว, าว่าใจเราต้องเต็มร้อยกับสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละคือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันอาพุทธศาสนาให้ความสําคัญมากการอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าเราทํากิจการงานใดก็ตามใจเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่เต็มร้อยหรือด้วยความ ความใส่ใจอย่างเต็มทีนะ่โดยวางเรื่องอื่นเอาไว้ให้หมดนะอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญแล้วมันทำให้เราไม่มีเวลาภาวนาเราก็เลยรีบทำให้มันเสร็จเร็จนะแล้วระหว่างที่ทำนั้นก็ใจก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อชาดันเคยเล่าให้ฟังนะ สมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มพรรษาก็ไม่มากทั้งสิกว่าพันสิบกว่าพรนสาได้ท่านเคยไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนรีหลวงปู่กินนรีนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูเ่เส า, ารกัญตศรีโลซึ่งเป็นเรียกว่าสหายรุ่นพี่แล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่กินนรีนี่ก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักภาวนาแต่ว่าญาติโยมอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่ ตอนที่หลว ง, งพัชชาหรือว่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นพัชชาแล้วกันนะไปภาวนากับหลวงปู่กินเลีเนี่ยท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่นะมุ่งให้หลุดพ้นไปเลยนะแล้วท่านก็ภาวนานะทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมทำสมาธิงานอื่นท่านก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ ท่านเดินจงกวมนท่าภาวนาจนกระทั่งจีวรเนี่ยก็เริ่มขาดท่านก็ไม่อยากจะเสียเวลากับการปะชุนจีวรท่านก็เดินภาวนาไปอย่างเต็มที่จนกระทั่งจีวรมันนะมันขาดเยอะแล้วท่านก็เลยจําเป็นต้องมาปะมาชุนมันแต่ว่าระหว่างที่ปะชุนเนี่ยใจท่านก็นึกถึงการภาวนา ท่รู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยให้การต้องมาปะชุนเมื่อต้องรีบทำให้เสร็จเร็วๆอาการอาการร้อนรนรีบร้อนของอหลวงพ่อชาตอนนั้นเนี่ยก็หลวงปู่กิน น, นี่ก็สังเกตก็เลยถามขึ้นมาว่าท่านชานะท่านจะรีบร้อนไปทําไมผมอยากทําให้เสร็จไวๆครับเสร็จแล้วท่านจะไปทำอะไรก็ไปทำอย่างอื่นต่อครับเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วจะรีบไปทำอะไรก็จะไปรีบไปภาวนาครับหลวงท่านชานะหรือหลวง า, าู่ชาตอบหลวงปูกินีเลยก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านชาท่านรู้ไหมนั่งเย็บผ้าก็ภาวนาได้นะท่านก็ดูจิตดูใจกันท่านไปสินะแล้วก็แก้ไขมันให้ถูกต้องนะจะรีบร้อนไปทำไมนะทำอย่างนี้เสียหายหมด ไอ้ความอยากมันท่วมหัวแล้วก็ยังไม่รู้อีกนะอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญของหลวงพ่อชานะซึ่งตอนหลังท่านก็เอามาเล่านะเพื่อเป็นบทเรียนเนะตือนใจลูกศิษย์นะว่าแม้ว่าการพนักการภาวนาเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งสำคัญนะมันอาจจะสำคัญกว่าการปะเย็บจีวร แต่เมื่อจะต้องปะเย็บจีวรแล้วหรือทำอย่างอื่นก็ตามเนี่ยนะก็ต้องให้ความสำคัญกับมันนะและให้ถือว่านั่นก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งทำด้วยความใส่ใจไม่รีบร้อนไม่ต้องไปนึกถึงงานอื่นที่กำลังรออยู่ไม่ต้องไปนึกถึงการภาวนานะในรูปแบบนะที่กำลังรออยู่ เมื่อใดก็ตามที่ใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูใจของตัวไปด้วยเนี่ยสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นการภาวานาไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราควรรีบทําสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะแต่ว่าก็ไม่ควรปฏิเสธสิ่งที่มันอาจจะไม่สําคัญแต่ว่าจําเป็นต้องทํา และเมื่อถึงเวลาที่เราทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะก็ต้องใส่ใจนะกับมันวางเรื่องอื่นต่างๆลงไปนะไม่ใช่เร่งรีบทําให้เสร็จเพื่อที่จะไปทําสิ่งที่สําคัญกว่าไอการท่าทีแบบนี้เนี่ยการวางใจแบบนี้ยังไม่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาเนี่ยนั่นก็ถือว่าไม่ว่าทําอะไรในแต่ละขณะสิ่งนั้นก็สําคัญทั้งสิ้น นะมันไม่ใช่มีการเลือกมีการจัดลำดับว่าภาวนาสำคัญอย่างอื่นไม่สาคัญเพราะฉะนั้นไม่ทาก็ได้หรือว่าถ้าจะทำก็ต้องรีดทำไวๆให้มันเสร็จๆระหว่างที่ทำนะก็คิดถึงแต่เรื่องการภาวนาอันนั้นแสดงว่ามันไม่รู้จักคำว่าภาวนาแสดงว่าการภาวนาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็เป็น ข้อเตือนใจสาหรับพวกเราได้ดีเลยนะว่าในขณะที่เราทาแล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าเวลาของเราจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่ทุกอย่างที่เราทําก็ต้องทําด้วยใจที่สงบนะไม่เร่งรีบนะไม่ร้อนรนนะให้เวลากับมันอย่างเต็มที่เอาใจใส่ลงไปในทุกอย่างนะไม่ว่าสิ่ง น, นั้นจะเป็นการภาวนาในรูปแบบ หรือว่าเป็นการทำงานที่เป็นอิเลบบทรเล็กน้อยขึ้นชื่อว่าสติเนี่ยนะเมื่อใส่ลงไปในกิจการแต่ก็ตามนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปทันทีเลยหลวงพ่อ พ, พุทธทาสก็พูดอยู่เสมอว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าเราทำงานอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เมื่อเรา มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเราทำด้วยความรู้สึกตัวแม้แต่การยืนการนั่งการคู่เหยียดเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าก็สอนให้แนะนำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอในกายอนุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านก็จำแนกวิธีการต่างๆไว้มากมายวิธีการหนึ่งก็คือการมี สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเรียบบทต่างๆไม่ว่าเดินไปข้างหน้าไม่ว่าถอยหลังแลหน้าเหลียวมองนะคลองจิวอนนุ่งห่มเสื้อผ้าการกินการดื่มนะการอุจจาระปัสสาวะนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดหรือว่าอยู่นิ่งๆตราบใดที่เรามีความรู้สึกตัวกับสิ่งนั้น นั่นก็เริ่มเป็นการปฏิบัติแล้วนะเรียกว่ากำลังเจริญหรือบําเพ็ญกายานุปัสสนาสิ่งสำคัญก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำในปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณนะทันทีที่เราใส่ใจกับสิ่งนั้นนะมันเป็นการภาวนามาเป็นการปฏิบัติธรรมทันทีอันนี้รวมถึงเวลาเกิดภัตตานะมากระทบด้วย ไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งทามารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะ ท, ทันทีที่เกิดผัสสะขึ้นนะภาวนาเนี่ยมันทำงานทันทีหรือนั่นเป็นโอกาสของการภาวนาละก็คือว่าถ้ายินดีใจฟูก็รู้ถ้าไม่ยินดีใจแฝบนะ เกิดจากการยินร้ายขึ้นก็รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นความปกติซะเช่นชอบความชอบเกิดขึ้นมาก็ทําให้มันกลายเป็นความปกติความชังเกิดขึ้นก็รู้ทันและทําให้มันกลับคืนสู่ความปกติอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนเน้นๆอยู่เสมอนะ โกรธก็เปลี่ยนเป็นความไม่โกรธทุกข์ก็เป็นความไม่ทุกข์หลงก็เปลี่ยนเป็นความไม่หลงไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราเกิดผัสสะขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อผัสสะเกิดขึ้นมาไม่ว่าเราจะอยู่ในเรียนบทใดเราอาจจะนั่งอยู่ที่ศาลาเราอาจจะกลังกินอาหารอยู่เราอาจจะกําลังอยู่บนรถเราอาจจะกลังจ่ายตลาด ถ้าเราเปลี่ยนนะให้มันกลับเป็นความไม่โกรธเป็นความไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะนั่นคือภาวนาแล้พวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนถ้าหากว่าเกิดอารมณ์อกุศลชเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นนะเช่นเกิดตัณหาเกิดพยาบาทหรือเกิด วิหิงสาลือความต้องการเบียดเบียนทำร้ายใครเมื่อนั้นเนี่ยมีสติรู้ใจไม่รับอารมณ์นั้นไม่รับอ า, อากุศรธรรมเหล่านั้นถ่ายถอนใจออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นนะหรือว่าทำให้มันหมดลงไปเมื่อนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียนเผากิเลสแม้ว่าจะอยู่ในอิเละบทนอนก็ตามนะแต่ว่าไม่ทำให้ ไออารมณ์อกุศล น, นั้นนะก็คือโรคโปรดหลงนั่นแหละนะมันเข้ามาครอบงําใจแต่ว่ารู้จักถอนจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นไม่รับมันเข้ามาไม่เข้ไปเป็นมันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดหรือว่าทําให้มันหมดไปนะอันนั้นก็เรียกเป็นการทําความเพียรแล้วเวลาเรานอนอยู่ก็ทําความเพียรได้นะหากว่าเราหมั่นตามดูรู้ใจอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ไม่ว่าเราจะอยู่ในทางจงกรมหรือว่ากําลังนั่งอยู่บนอาสนะเพื่อยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเรานะอยู่ในครัวเรากําลังตากผ้ากิจกรรมหรือสิ่งที่เราทําที่ว่ามานี้ล้วนมีความสําคัญเท่ากันนจะาบใดที่เราหมั่นตามดูรู้ใจอยู่เสมอนะ อย่าไปอย่าไปให้ค่าว่าโอ้ถ้าเดินจงกรมสร้างจังหวะ น, นี้สําคัญแต่ถ้าเกิดว่าไปทําครัวนะซักผ้าตากผ้าอันนี้ไม่สําคัญไม่อยากทําหรือถ้าอยากทำก็ทําแบบให้มันเสร็จเสร็จเร็วๆนะแต่ใจนี่ก็คิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปภาวนาสักทีเมื่อไหร่จะได้ไปเดินจงกรมสักทีเมื่อไหร่จะได้ไปสร้างจังหวะสักทีทําอย่างนี้ก็เรียกว่าสอบตกแล้วนะ ถึงแม้ว่าเวลาเราจะเหลือน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องทำสิ่งต่างๆด้วยความร้อนรนอะไรสำคัญเราต้องรีบทำแล้วก็ทำอย่างมีสติแต่ถึงไม่สำคัญนะก็ทาก็ควรทำอย่างมีสติด้วยเช่นกันนะอันนั้นก็ทำให้สิ่งที่เป็นสิ่งธรรมดาสามารถมั น, นกลายเป็นการภาวนาได้อา่าเราคำนี้ก็เมเท่านี้นะกับ